สงหลงโทษและระงับกรรมครั้งนั้นสงได้ลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุชนะเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตห้ามสมโพกกับสงภิกษุชนะนั้นถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิกษุชนะนั้นได้ออกจากอาวาสนั้นไปอาวาสอื่นพวกภิกษุในอาวาสอื่นนั้นไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับ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 กลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้แล้วเข้าไปหาพวกภิกษุบอกว่ากระผมถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้แล้วกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ